ประวัติคติธรรมปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญญาสันปันโนเสนอตอนที่สชอบเล่นกับหมาเมาสุราและรักผู้หญิง หลวงตามหาบัวญานสัมปันโนได้เล่าประวัติในตอนนี้ไว้ว่าเราชอบเล่นกับหมาเป็นประจำนิสัยกับหมาถูกกันแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งโตเป็นหนมุมก็ยังเล่นอยู่อย่างนั้นแหละหมาจะเรียบร้อยขนาดไหนครั้นมาได้รับการอบรมจากเราแล้วเป็นอันว่าดื้อทั้งหมดเล่นกับหมาจนกระทั่งมันเหนื่อยมันเครียพอหลุดมือเราปับ๊บวิ่งหนีเข้าป่าเลยคือลูกหมา เขาไม่อยากเล่นกับเราเขาเหนื่อยแม่มาเห็นก็ว่าขึ้นเลยว่าเลี้ยงหมาตัวไหนไว้มีเท่าไหร่เท่าไรดื้อเหมือนกันหมดหยอกแต่กับหมาเล่นแต่กับหมาเราฟังแม่พูดแล้วก็เฉยเพราะมันก็เป็นอย่างที่แม่ว่าให้จริงๆก็เราเล่นกับมันอย่าให้มันดื้อได้อย่างไรเรารักหมาเขาเอามามาปล่อยให้เลี้ยงรักมันสงสารมันหมาตั้งสิบกว่าตัว มันน่าสงสารเหาดีตัวนี้เหาดีตัวนั้นก็เหาดีเขาต้อนรับพอเห็นเรามาเขาก็มาต้อนรับปีนขึ้นรถเลยน่าสงสารตอนมาอยู่ที่วัดนี้เราเข้าไปในโรงครัวก็ถือไม้เรียวเล็กๆ เ, เท่านี้แหละติดมือไปมันเข้ามาคลอเคลียรเราเอาไม้เรียวตีแปะเท่านั้นโอ้ยมันเป็นเดือดเป็นแคนเหาใหญ่เลยจะ เ, เราทุกวันก็ยังเหาอย่างไรกันกูหย อ, อกเล่น มึงทำไมทำจริงไอ้นี่นะมันไม่สนใจเฮาเลยเพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกพระในวัดนี้งูก็เยอะแยะเยอวเยะนะในวัดของเรามีงูทุกประเภทบางองค์ไปเจอมันเข้าแล้วหยอกเล่นกับมันเราเลยบอกพระสั่งหมดเลยห้ามไม่ให้หยอกให้เล่นเขามาเราก็เดินไปเฉยๆแล้วเขาจะนิ่งถ้าไปหยอกไปเล่นแล้วสัตว์เหล่านี้เขาไม่รู้จักว่าเล่นนะจะมีแต่จริงทั้งนั้นแหละ มันจะกัดเอานี่แหละจิตวิญญาณดวงหนึ่งดวงหนึ่งมันอยู่ในตัวของสัตว์ของหมาของคนของอะไรอะไรไปจิต ด, ดวงนี้หละไม่ตายแต่มันมีเชื้อของวัตวุนให้พาเกิดแจจิตตายอยู่ในตัวของใ จ, จใจจึงต้องเวียน่ายตายเกิดไม่ถอย นี้ตายมากีกับงกี่กันไม่นับนะถ้าแจ้ไม่ตกด้วยอํานาจของพระธรรมแล้วจะตายกันไปอย่างนี้เกิดกันตปอย่างนี้ถ้าถมกันไปอย่างนี้เป็นกลับเป็นกันถ้าแจ้ตกก็แก้ด้วยพระธรรมแก้ด้วยบุญด้วยกุศลนอกนั้นไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เราเกิดมาบนโลกนี้ก็มานาน เห็นอะไรดีอะไรวิเศษจนจะลืมเลือลืมตัวมันก็เห็นมาแล้วมันก็เคยเป็นมาแล้วจิต ด, ดวงนี้ตั้งแต่เราเป็นขรารวาสถ้าพูดถึงเรื่องรักผู้หญิงเราก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังรักรักจนกระทั่งนอนไม่หลับรักจนจะตายคนที่รักก็เป็นเครือญาติวงเดียวกันพวกญาติอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าเอาดีแล้วดีแล้วนะเป็นญาติเป็นวงเป็นสกุลเดียวกัน ได้กันได้อยู่ด้วยกันก็ยิ่งเป็นกันเองก็ยิ่งง่ายพวกญาติอีกฝ่ายหนึ่งก็ทักช่วงขึ้นมาว่าพวกแยจะมาทําลายวงศ์สกุลกันหรือนี่คนนี้ชื่อว่าอย่างนั้นคนนั้นชื่อว่าอย่างนี้เรียกกันว่าอย่างนั้นทีนี้จะมาให้เรียกคนนี้ว่าเป็นปู่คนนี้ว่าเป็นย่าคนนี้เป็นอย่างนั้นมันเรียกกันได้ลงคอเหรอจะมาถือเอาสิริมงคลอะไรจากการทําลายญาติ เราพิจารณาดูทางเหตุผลแล้วเราก็ยอมเอา้าถ้าอย่างนั้นก็ตัดใจมันจะตายก็ยอมตายเอามาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ลงได้ขวางผู้ใหญ่ขวางญาติขวางาวา ง, งสกุลแล้วเอาประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เอามาแล้วมันก็จีดก็ขวางอยู่อย่างนั้นแหละหาความเจริญไม่ได้เพราะเราเพียงเท่านี้ทำความเสียหายแกวงสกุลมากมายไม่มีใครเห็นดีด้วยแล้วเอาไปทาไม มันจะตายเพราะหัวใจมันรักแต่ก็ต้องตัดรักลงอย่างขาดสะบั้นหัวใจต่อมาก็ได้มาหัวเราะเรื่องของตัวเองเหมือนกันแต่ก่อนมันเหมือนไม่มีญาติไม่มีวงไม่มีพ่อไม่มีแม่มันก็มีแต่ตัวมันคนเดียวจริงกว่าพ่อกว่าแม่กว่าญาติพี่น้องกว่าวงกว่าใครทั้งหมดจะให้ได้ดังใจเวลาเรื่องทั้งหลายมันจบลงแล้วเหตุผลเพราะเราไม่ต้องการจะเป็นคนเลวขนาดนั้น จะทำได้ลงคอหรือมันก็ต้องยอมยอมทั้งๆที่ตัวกิเลสมันไม่ยอมเห็นแจวงสกุลฟาดม hm. ันจนขาดสะบั้นในสมัยที่เราเป็นหนุ่มชะกันกำลังจะเป็นนักสุรายางสุดขีเพื่อนๆ เ, เขามาชวนไปทานเลี้ยงที่อำเภอภูเรียงจังหวัดขอแนแก่น เราไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าในงานนั้นจะมีอะไรบ้างเพราะไม่ใช่บ้านเกิดของเราแต่เป็นบ้านเพื่อนๆซึ่งอยู่ห่างกันคนละจังหวัดจึงไม่ทราบว่าประเพณีเขาเป็นอย่างไรกันพอถึงบ้านที่จัดงานเลี้ยงต่างคนก็ต่างนำขวดอะไรๆมาวางไว้บริเวณรอบๆเราเกิดความสงสัยจึงถามขึ้นว่าขวดอะไรกันมากมายนักเขาก็ต่างบอกเราเป็นเสียงเดียวกันว่าน้าอ้อยป่า ตนความจริงเป็นเล่าเถือนเรานึกรู้ทันทีว่าคือน้ำบ้า น, นั่นเองเพราะเท่าที่เห็นเห็นใครดื่มน้ำประเภทนี้เข้าไปโดยมากต้องเป็นบ้ากันแทบทุกรายก็เรากำลังตกอยู่ในที่จนตรอกเสียแล้วไม่ทราบจะหาทางออกได้อย่างไรอีกไม่นานนักต่างคนต่างรินน้ำอ้อยปากยื่นมาให้เราดื่มแบบหาทางหลบหลีกไม่ได้เราเป็นเพียงพูดออกอุบายว่าเพื่อน เราปวดศีรษะไม่ค่อยสบายอย่าให้ดื่มเลยเขาก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่กลับจะให้ดื่มชาเดียวโดยให้เหตุผลว่านี้คือน้ำยาสำหรับแก้ปวดศีรษะโดยตรงตื่นแล้วไม่ต้องไปหายาอะไรมาแก้เขาเป็นคนหมู่มากและเป็นคอสุราแบบเดียวกันด้วยให้เราคนเดียวไม่สามารถจะต้านทานได้จำต้องยอมรับโดยปริยาย พอผ่านไปได้ไม่นานนักเราชักจะเปลี่ยนท่าทางและอาการทุกส่วนเปลี่ยนไปเสียเพราะไม่เคยมาก่อนความคิดไว้เดิมว่าเพื่อรักษามารยาทและไมตรีกิจกับเขานั้นได้กลายเป็นว่าทำลายมารยาทและไมตรีกิจปกติของตนเสียสิ้นไม่เหลืออยู่เลยที่ปรากฏอยู่ชัดแจ้งในเวลานั้นก็คือมารยาทของคนที่เมาล้วนๆเท่านั้นร้องลัทำเพลงทั้งคืนไม่มีทางทราบเรื่องดีชั่วของตัว และสุดท้ายนอนแผ่อยู่ที่นั้นอย่างไม่มีอะไรกับอะไรอะไรพอรุ่งเช้าจึงรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดความละอายเพื่อ น, อนและคนในบ้านอย่างมากรีบกลับบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งทันทีนับแต่วันนั้นมาถ้าใครจะมาเชิญชวนไปบ้านคนอื่นอีกเป็นไม่ไปเด็ดขาดเพราะความเข็ดหลับเป็นกำลัง หลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนได้เล่าประวัติต่อไปอีกว่าสมัยเป็นหนุ่มเราร้องเพลงเก่งมากนะเสียงนิยดย้อยเราไปร้องเพลงที่ไหนเพื่อนฝูงชอบมากมักชมเสมอว่าแย ท, ทําไมถึงร้องเพลงร้องมอรำไยรอดจังเลยไม่เฉพาะแต่หนุ่มแต่สาวเท่านั้นแม้แต่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาก็ยังชมว่าเสียงมึงดีเสียงดีเหมือนเสียงแม่มึงเนาะโยมแม่ เป็นคนเสียงดีไปลำที่ไหนคนติดมันหากเป็นของมันนั่นแหละจากนั้นไปไหนเขามักขอให้ร้องให้ลำไปเที่ยวสาวที่ไหนกับเพื่อนกับฝูงผู้สาวจับคอเรามัดให้ลำไม่ลำออกจากนั้นไม่ได้เขาต้องให้ลำเสียก่อนเราก็ไม่ลืมนะขนาดพ่อได้ยินเสียงลำในหมู่บ้านยังหลงออกปากชมกับแม่ว่าเสียงใครนั่นนั่นเสียงช่างไพร้มากเหลือหลาย คือพ่อจำเสียงของเราไม่ได้หลงเสียงแม้กระทั่งเสียงของลูกตัวเองแม่ก็ยังย้อนพ่อไปว่านั่นนั่นเสียงบักดวลูกชายเจ้านั่นแหละร้องลำจำเสียงมันไม่ได้หรือพ่อบอกว่าคิดไม่ถึงว่าเราจะเสียงดีถึงเพียงนี้ตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งโตเราก็ได้ยินเสียงแม่ร้องลำมาตลอดแม่ชอบร้องหมอลำมากเวลาไปทุ่งนาเสียงแม่ร้องลำลั่นทุ่ง เสียงแม่ไพเรอะจับใจมากทีเดียว